ปัญญาญการเจริญพระธรรมานหลวงพ่อได้พูดว่าสุปาษิตสุภาษิตอ่านอะไรให้พระปูเสดจฟังคุณให้พิทยโ ส, สได้บรรลุเป็นตัวสอดาับันร <ไป S 1> อเยิ า, <ไป S 1> ามนิดเดียวว่าใจความย่อยๆพอที่จะที้งและให้ลูกหลานเพื่อจะได้บรรลุกกนในวันนี้มีบัางใหม่หร่าไมจำไม่ได้ โ, โ, โรูเออ ก็พูดไปไรปร<บ>ะยปปยปโยชน์ไม่เกี่ ย, ยวกับมันได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไอ้ได้ได้ได้ได้ได้ไดได้้ได้ไดาได้ไ้ได้ได้ได้่ด้ได้ได้ได้ได้ได้ไดได้ไค้ไได้ได้้ได้ได้ไดได้ไ้ได้ไได้ดได้ไ จะรับูนี้เรียนถามด้วยความเป็นใจว่านางสมจิต้ำเองนที่ผูกไฟซ้อนตายเมื่อที่แปดพทสามสามสามีญาติสามีจะเอาสพไปสั้งเพื่อจะหาทินงญาติผู้หญิงก็จะเอาสบไปสัง้งเรือค ว, วามรักแย่งกันไปแย่งกันมาไม่รู้วินญาณแกจะลอยกระดาษ ก, กัะเดิดไจะเกิดได้หรือไม่แสดงว่าสพที่มีเสน่ห์นะ อ้ามันจะแยกมันเรือวิญญาณไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอไเกี่ยววิญญาณถ้าตายปุ๊บแล้วไปสวรรค์ก็ไปเลยเป็นรกก็ไปเลยไม่เกี่ยวร่างกายเอกไปเลยแต่นะลังล็อข้อจมูกฐานทึบแน มรณะภาคตายจะเย็นร้อยแล้วถัาไม่สงสัยแต่เขาสงสัยว่าถ้าเราที่ควรจะสนใ น, านการเจอะ้นเฉพาะคนเดียวอย่างนี้โอกาสที่จะคลีได้ถึงอีกขอนรับอันนี้ตอบผมฉันไม่ได้นะตอบว่า ถ้าเขาโมทนาได้เขาก็ได้โมทนาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ยนี้ก็แสดงว่าการรับได้จะได้ถ้่รับได้ใช่ใช่ถ้าอยากรู้ว่าโมทนาให้โมทนาก็ต้องไปพุกมโนมายิ้มสิงได้เอออย่างนั้นนะคุณยันแปกไปพบกันได้เลยของง่ายง่ายอะไรของการไร้ความไม่เลยใช่ใๆ่ใช่ไม่ต้องไปตั้งถามกันยังมีย่อนไปอีกนะ นะมียานแปลกก็ไปย้อนแปลกสมัยย้อนใช่ใชอะเขามาย้อนเลยหรือไม่ม<อ><อ>ไม่ครบแปดโอ้ยย้อนแปดนะมันจำได้นดในรคในรบแปดกลรรับหลวงพ่อี่สูภูาของลูก รู้ว่าโรคได้เอาถวายน้ำใส่แก้วบูชาพระรัตนกไยเป็นเรื่อก็ไหวแล้วก็เอามาดื่มมาดื่มแล้วก็ไปน้รวมหมดเกล้าขอาไปที่กรลุกขึ้นจังร้านให้สาอาจจะน้ำก็วายในวันต่อไปให้ทราบว่าเป็นข้อเหตุใ่มีอะไรข้อสารมาปลากรึ้งกินข้าวตัวเลยกินข้าวด้วให้รู้ว่ามาจากไหน จะเป็นในมิตรหลายดีประการใดของพอในกรมแม่ตาชี้แจงในส่วนเด็กเก็บมาบูชาให้ดีนะโอ้ยเลยเลยจ้งเขาเหลือต้องไปให้เขาสารเนอย่นี้ก็ไปดูอ่ะเขาหาเขาหาเขสายใ้ความจริงไม่ใช่หรือไงมันไม่ใช่ตาอะไรมันาเบือกแต่เขาผู้หญิตาใหญ่ก็ตามแต่เรไม่รู้ สย่างนี้ก็ตาสับรถตาพระม้าเดิไปแล้วไม่เลื่นเลยไม่ได้แต่รถเรื่อยๆนะเอาเกกุตาได้ดีนะถ้าแม่่ใจก็มาให้ยนคนพ่อมาเลยจ้าน้องพ่อสงขาลูกพระม้าก็อยู่เจ้าของพระพิจิรามก็มีศาลเจ้าพ่ออค์หนึ่งกาลเจ้าพ่อหนูมอยู่ข้างบนแต่ลูกอยู่ข้างล่างลูกเป็นเขาไปจิสรามอยู่บน เรื่องร้างของสารต่างๆล้างพุทธรูกต่างๆที่ลูกเขาไม่รู้ตาอยู่ใต้ถุนไม่ทราบว่าพุทธศาสนาเราแต่ละองก์จะเดินหรือเปล่าที่ให้เวลาอยู่บนหรืออยู่ใต้ อว่าคาว่าเสื่อมไม่มีอยู่ที่จิตใจเราเดียวถ้าใจเราเคารพอยู่ที่ไหนก็ได้แม้แต่การาาเราโอ้ยเรื่องเล็กเล็กเราผ้าเด็กสมัยฉันเป็นเด็กนะเด็กอายุ18 18กิน อออี <t <t <t us> <t us> ี um ่ no? ่ดกวาตอนนั้นมีคนรุ่นพี่ที่คนชื่อปานไม่แกรู้ว่าปนนะแก่แกเป็นนักเกรงแต่ว่าเป็นนักเกรงที่จะบ้านยักมากถ้าบ้านไหนคลายหายท้องหายที่ปานช่วยตามแนะต่ว่าวันหนึ่งแกเดินมาธุระที่บ้านฉันน่ะ แล้วกลับไปตอนดึกเกิด อ, อยากกินน้ำขึน้นมาก็เข้าไปใกล้ไล่ไล่อ้อยเจ๊กใช่ไหมก็ไปตัดเอาอ้อยมาลำกินพอดีเจ๊คกคิดน่น่ะไอ้ร้านะไอ้นั้นมาของหายทุกคืนหายมากมากแล้วก็ซุ้งอยู่พอดพีพอไปไปเอาข้าวเขาเขาก็รีบ ข, ข, ข, ข, ของมาจับพ อ, อจับก็จับน้อยหงายมาัดฟันบ้างแทงบ้างแก่ภาวนาวุทโธ ไม่ยอมเข้าป้าเมียมันนั่งค้อมหัวก็ไม่ยอมเข้าอา่าดิ้มีประจำเดือนมาข้าดหัวแทงเท่าไรก็ไม่เข้าฟันเท่าไรก็ไม่เข้าเห็นไหมที่ใหญ่ตัวเดียวตอนนี้แจ๊คเหมือนจะคิดว่าทํำไงมไม่เข้าก็ต้องเอาไปจี้ให้ตายพอจุดคบรบเพิมาเห็นหน้าพี่ปาให้วแจ๊คมืออ่อนดินอ่อนเลย <S S มั <c oughs> นเก่งใหญ่เลยโอ้โหรวยปีปาธรรมดาเลยนใช่ มันก็ภาวนาวุโทอย่างเดียวนะก็เป็นราว่าอยู่ที่จิตใจอย่างเดียวจิตใจเราก็เมื่มีอะไรเจ้ขาขอให้มันคงในใจย้ยนะน้องข้อเจ้าขาถ้าได้ยินมาว่ายังนี้ว่าการปล่อยตาวอายุจะยืนปล่อยตาเป็นการต่อยุบปล่อยลกเป็นการสะอกล้มมีท่านหนึ่งเขาบอกว่าพิาต้องสืบของ เขาเลยย้ว่าเขาเปียอะไรเยี่มมากเขาบอกว่าถ้าปล่อยไว้ผมชีวิตมันจะสดชื่อความผมมันก็หมดไปไม่ทราบว่ า, วาการปล่อยว้ผมใี้ความผมจะหายไปและอันนี้มต้อเล่นประการใดเอางี้ไงยไงไดีครับี่ก๊อฟครับเล่านิทาตให้ฟังตามพระสูตรใช่ไหยเราไปนั่งอยู่ที่ใกล้กรุงกรุงรพระจุลาลง<ะ>กีณ์เพราพระศรีอ่านมา เทวดากุมหนึงน่งนาฟ้ากุมหนึ่งนั่งชุดสีแดงกลุมหนนั่งชุดสีเขียวกุมหนนั่งชุดสีเหลืองกุมหนึุดสีขาวเป็นสี่กลุ่มก็เลยถามพระพิธานว่าบริวายของท่านทำไมแต่ตัวไม่เสวยกันท่านเป็นพระโพธิสัตว์ขนาดหนักจะเป็นพระเจ้าอยู่แล้วจะบอกว่ากาเรื่งองของเขาในสมัยที่เขาเป็นมรดกเขานยิยมสีแดงเขาต้องมีเรื่องคิชเป็นพืชสีแดง ยังสีเียวคีเขียวแต่นี่ก้ผมนะท้าหน้าคผมใหญ่อทําอย่างไรก็ได้ลนะใช่ใช่อที่กูเพิ่มดีกว่าเอิเรียบร้อยกว่าสวยด้วยบงเดชาหน้าพวกนั้นบไปแต่ไม่ใช่พื้นสวยพื้นเป็นเพชรโอยรงเท้าก็เป็นเพชรหมดก็เดินไปไม่ทำกูกลับบ้านไม่ได้สบายครับ ว่าไม่มี a สดงปั๊บราพลาดจำนำโอ้ใช่ ด้วยความเคารพอย่างเดียวพอถ้าจิตเคารพนะตอนที่จะกราบพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้ารพระกก่อนก่อนเที่สองกราบประมถึงสองมลิแก้วให้ไหลจากอพระพุทธเจ้าลงหัวเรากราบ็นึกถึงประสง์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราพ เมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ใครพูดอ้โหขอต่อตาแบกเลยนะได้แค่นั้นพอตัวพิธีกรามที่ท่าไหนลงราบเถอะใจสำคัญก้าวได้เป็นอย่างผู้ดิ้นตใจไม่รบไม่มีความหมายขอตาแบกที่เกิดอ๋อเนี่ดีมากดีคุณท่านที่จะได้รู้ ที่เบต่ะเป็นพวกท่าไปเกิดมันคืบหมดใช่ใช่ใช<ก>่<ๆ>หลอดทั้งตัวเลยแมย้กระดานมันมันเล็กไอ้ขอบพัตถุศิลป์วัตถกยาใช่ไหมหมายมันคืบเราปรอ บ, รอบไปเย็นดูใ่้เราสู้ไม่ได้ก็ บ, บ, บอกว่ามาจากที่เบตมันก็คืบมานะมารูกนั้นนะเก่งมากลาด้วย ลมงพ่ครับลูกห่วงใจนิดหนึ่งตรงที่ว่าไม่ทราบว่าเป็นพเวิกรรมอะไรพ่อกีตัวอะไรเล็กจะเป็นพจน์เป็นลายอะไรโดสารพ่อแปในร่มผ้าของลูกอยเสมอลูกก็ไม่เจตนาจะทาร้ายหรอกเพรโคตรสิ้นของถ้าสิ้นข้อที่หนึ่งจะขาเวลาเจ้ายาทานลุกภาวนาวุ่นโงวุโงุโงแล้วก็พาไปตาตบก็หายเงียบไปหมด ก็มาจนสุอว่าเอสี่เราจะขายลกปลาเอสาก็ภาวนาพุทโธเอรีนถามหวพ่ว่าภาวนาพุทโธแล้นยามาไปตรงนั้นอะไรที่มันเลยทาวยถุกสัตว์ี่มันทา ก, กันเาทากันกินเจกินอะไรกันไม่เป็ไนไรนหล่อตายตลาดธรรมศาสตร์มันข้อมีก็ลบ ใม่รู้จักถวายสังฆชานเวลาที่เรจะถวายสังทานขอจังหนบาทสองเหรีนก็ได้ให้มีสว่วนร่วมในสังฆทานนะจะไหวรู้ตระหนักและสม่ำเสมอกรท้าหลวงพ่อที่จะรับเอ่ยประสงค์เพราะอันนี้สุ แำได้ลอดลงมาเนี่ย่ะว่าก่อนเขาทำไแล้วนะแต่เจ้านี้ก้องาใหม่เอาใหม่เลยขอค่าจำเนียมต่อโอ้าไหนดีวายใหม่ต้องต้องมีค่าจำเนียมอ่าเพราะนั้นลุงท่านตอก็ใช้ได้นาต่งที่สิบเราก็ใช้ได้โอ้เพราะเอ้วานั้นลุงไม่ได้ตอบอย่างนั้นบอกว่าดีใจตรงนี้เลยรงไหนใช่ทกค แต่ลูกหลานบาคนวางก้อนฟางวงก้อนฟางบางคนวางก้นทืนวางนะไปหนาดาส่งเดียวข้ายกปืนอีอะไรเดียอกอนะเดี๋ยวไปหวยผมจะใสาไป่อยนะแหรู้ทันแล้วก็รู้ใจเลยถ้าหลวงพ่อประลัแล้วผมนี่รู้สึกประหลาดใจว่าเวลากดมลค่อยรากก็ดี เวลาเดินประกำประฐานเช่นนี้ตลาดกฏว่าจะมีเสียงให้ตัดวาร้อนบพระมาคงเสียงบ้างเพอเปิดตลาดดูก็พากมไปไม่เห็นเลยเส็จแต่ตอนนั้นอารมณ์ุมสบายมากก็เลยอยากจะกลาบเรียนถามหลวงพอว่าเมื่อได้ยินเสียงในตลาดเช่นนี้เราควรจะทําอย่างไรกับเสียงเพื่อในการส้องเขาบ้างทําให้เสียงเหมือนเขานี่ได้คุยกันได้ ฮงมากระ่งไปแ่มาก็แแฮไปเสียงเกิดขื้นไปของธรรมาดาสนใจในรสสัตว์ <c oughs> ถ้าว่าเวลานั้นถ้าเราไม่าํากัญในเสียงภาวานาด้วยสบายิไยใช่ไหมข้านานนั้นจิตเป็นผสมผาน <c oughs> เรื่องห้ามเสียงแล้วจะไปจิตห้าม ของธรรมดาเขาจะดูดีเกะกันเขจะดูตะคอนกันเขาจะดูตาสิบยิ้วกันเขาจะคุยกันเรื่องของเขาเรื่องภาวนาพิจารณาในเรื่องของเราต้องแบ่งปันไปอ่านหสือตำแต่เล่นบิชั่นแหละดีกว่าจะรู้เรื่องนี้เขาเป็นเขาใช่เราดีนะพ่อเราไม่เกี่ยวด้วยเพราะเราเราช ไม่ต้องเดียวอาตั้งให้ก็แล้วกันต้องเกียวพ่อไหมเรื่องนี้ต้องอาต้องให้ก็แล้วกันหมดเรื่องราวหายากนว่าที่จะเป็นนั้นพ่อภรรคก็เคืองพวดหลวพอพูดกูอีตอนจรายการคนกลับบ้านัเยอะแล้วว่าสามหมูต้งยำใส่ปลาคุ้งอะไรปักที่จะมาอาชีพหอ ข, อ, ข, อ, ขอลายละเอียดอี่ออยอยท่านเห็นใตัวละแล้วรองน อชอบรถแบบหมายป้าสามจะมาแน่ๆชอบรถอะไรัอบชอบรถที่แข็งโอ้โหเออไปอยากสะดวกครับไปง่ายง่ายนะเกรงใหญ่วค่ไหนก็เล็กนิ์เิดอ่างานปรจันปีนาป็นานะเขาขออนี้อะไรมาสามนการจริงให้กรมาเรื่อยๆนะ สององค์ น, ะนั้นาทีก็มาเป็นเนนบ้างแต่นพระหนุ่มบ้างเป็พระแก่บ้างก็มาตั้งคนก็พระคนุกาอันนี้สามองค์ถ้าจะมาเป็นกิจีิเศษใหญ่มากธรรมะก็ศพพระกุลาพระบินดวงพระตัวชา้าสาองค์เลยลไปีหนา่าเอง ท, ที่ว่ามาหมายถึงว่ามาในสภาพพระเนื้อกะนั่งนกับบรญาพระคานุกา ก็ก็บอกว่าขอให้ต้มขาหมูกับบุ้งเปแบบต้มยำฉันลงแล้วเป็นายลกรมอนกัครับปลากรดผมกกินหมูอร่อยก็พีงมกินนะเอาแค่บุ่งก็ใส่ใส่นันเองนะอาจจะมีัญลักรับของท่านทีนี้ลุพ่อครจะบอกเทคนิคได้ไหมว่าปลาผมยังมีหลายผมอาจารย์สังเองได้ยังไงว่าองค์นี้เป็นองค์นนโห อ, อนั้นอะไรก็ไม่ยา ใช่ทิพยานถามพู้เจทธเจ้าตัวรวยแคาหนึ่งฟังเลยรวกมากๆทิพย่าองนะจ้ะก้องมีหน้าต้องมีอะไรที่เป็มแม่ใช่ไหมนี่ก็พอที่บอกติถ้าหารทมาแต่สาที่เป็นทั้งระิพแท้ปกระมาเนื้อทัตว์กระมา แต่ว่าจะมาปนก็่พราคอนโดกาเพราะคอนโดานั่งข้างล่างใช่ไหมครับคน <ๆ S 2> คนแบบแล้เรียนถามเี่ว่าคอนโอกาหาที่หาตรงไหนได้เลยหาที่ส่วนสองใช่ปกติที่วัดถ้าคุณจะพาคุนโดกาผ่านใจที่สามใต้ด้วยออต้องถามคนเลี้ยงเขาถ้าพระดิมุนมากถ้าคอนโดกาก็อาจจะสัญญาอื่นถ้าพระนิาา ม, มุน ม, ม, ม, มีไม่มากนัก ถ้าทำการ น, น้อยพอหน้าที่ที่สองไรได้ผมสองไรเดี๋ยวนี้ก็ต่อไปก็ต่อไปสองไรสามไรที่สองไรที่แต่ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเม่้องาบ้าต่ารับใครไปเคยมาเลยทีย่ปวดหลังกุญเเลยปลัวแน่นหมดเยคุ้ฟังก็ตื่นแต่ปวดเนี่แ<อ>หละครับกินเึ่นมาเป็นปกติ แต่พวกเราไม่รู้ฉันก็พูดไม่ได้อที่หลวงพ่อมาฟังนั้นเป็นยังไงไหมครับมีเป็นเนีนก็มีทำไมก็เป็นเนียนเนาะทำเป็นเนียนเล็กๆทุ ก, ก, ก, กสององให้เขาแบบแปลเพื่อจะได้ไม่สงสัยว่าเป็นใครไงว่าท่านบวกนี้ถ้ามาร่วมในงานบุญบุญเขานั้นจะใหญ่มากอนิศงสูงท่านต้องการช่วยอริศงเท่านั้นเองอไม่เก็่ยงมาอวด เราลูกหลายายไปไปคนนั้นต้องไม่ไปอะไรอันนี้ส่งได้ไม่ไปก็ฝากประจงไปเอางี้ี่้วกันใครดีก็สีม่วงคนนั้นส่งกันเทียวแม่ตัวไม่ใช่ก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่หมู่ไปก็ได้จะดันส่งหมัน หลวงพ่อจะสาลูกอยากจะมาขอขอเสียใจกับหลวงพ่อแตกครั้งหนึ่งคือตอนที่ลูกเอายาจิบตวงหมายวาแบงจีบ้างทางนะแต่ว่าไม่ทราบต่อไปโดนพึ่งที่กำลังแต่ถูกตายเรียบร้อยเลย<ช>ลูกกนะ็มาลาโม่จับคุณงพ่อขอหลวงพ่อเลโอ้โสิกร่แกุ่ทธิเดเสด็นผ่านอ๊ะไม่ยังไงกันเลยท่าเจ้าหกรไม่แก่พุทธิเดชใช่ทีแต่ว่าไม่แก้ เจตนาอาจจะเป็นวาระของขึ้นไม่ตั้งใจให้บาปนะแตระวังในชาติหน้าอาจจะกินยาไม่ตั้งใจฆ่าเรานะไเจตนากลางตัวเองก็จะได้รับกรรมด้ยวยไกรรมประเภทนั้นก็มาหมนกันโัยนีเรื่องเยอะเยอะเลยครับเยอเก็บไว้เก็บไว้ขายวันหน้าต่อไปนี้จะไม่ทำอะไรแลว เป็นยัง่ะยังยืนยังไม่ไม่รู้จริงๆนะผมเดี๋ยวมจะบอกให้อ่ไหมผมยัดยังยยบอก็ได้ขอใสามตัวให้กพอเลยหนึสี่สองจะตายจะอายข้าวผัดกอร่ยน้อสุกอมอยเลยหมวตอกอร่อยผมเลยลามไปได้วลาเขออกมานกออก หลวพ่อเจ้าขาที่สาของลูกได้มาน่าสมาธิปฏิบัติธรรมกลวงข้อเป็นเวลาสองสามปีมาแล้วแต่ในย่านมาไม่เร็วเร็วนี้ก็บลาบอกว่ากรรมฐานเข้าขั้นยังไงก็ไม่ทราบเช่นปูจ่าเบิร์ดชอบทำสิ่งตปรกภายในบ้านแล้วไล่ที่ไล่แม่ไล่แม่ไล่พอไล่สัตาให้ลงมาจากบ้านในหมอกเขาจะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุ นี่เป็นลูกศิษย์ของพ่อว่าข้าวตูมนะใครจะมายุ่มไม่ได้ลูกเห็นว่าท้าจะไปเป็นใหญ่แล้วจะแจก่ยังไงก็ไม่ตกก็เลยมาถามพ่อว่าจะมีวิธีทำและนาเพื่อไปแก้ไขในเรื่องนี้จย่างไรว่าตรงไปวัดปากกอวัดข้าเรืบุไวปีติดขึ้นสูงไปเหนื่มากเน ะ, ะปีติดสูงไปคือไม่อยากไปนอนข้าวก่อนน้อยประสัตร เสียผมก็เครียดเกินใจได้ยหงไอ่อาจากเป็นปรธานนิยมแล้วที๋ยวกินข้อวของคุณิชาต้องก็รับทาแบบนี้อ๋อบายเลยไปสายมือก็ได้นะหาก็ผ่านไปหลวพ่อเจ้าสาานไม่ทราบว่าลูกมีเวรมีกรรมอะไรแต่ได้พระทำงภ า, ม า, าวมหาร่าของพ่อไปแล้วเวลาไปซื้อของแม่ค้าที่ไลมันอบคอนเตืนทุกวัน เออดีต้องแก้กรรมนะไอ้ที่เินมาให้ฉันเนี่ยโอโหนี่คมทนาด้วยอตอทนาใหเรามาให้ฉันทั้งหมดเรื่องราวไปก็รับกรรมแทนไปไม่เป็นไรอ๋อแล้วเอามาให้รับกรรมใจพ่อจีนแล้วร แต่เอาไปคือแต่ม่อี้จริงๆเขาให้ลงมาแล้วนะเขาก็มีตอนท้ายออกมาทาถึงหลวงพ่อก็เป็นนงินที่จะมาสุขารุจแต๋อหมายสัตทานและของที่อดเมให้หลวงพ่อขอให้หลวงพ่อหายลงไปให้ดีโดยเออดีมากนีมากใจจะแก้โดยโดยหลวงพ่อวันนี้พุทธภาไปเลยขึ้นีไหมาเ้าหลวงพ่อทีเา็กจาบู วิ่งอง่านว่ามีหลายสามสิบครั้งอ๋อลูกอยู่ขอพักเวลาเอาที่ทิ้งไว้กึ่งเลยนะเวลาทํำสมาธิเฉลยกลางวันสามจะปรากฏดันต่อไปนี้หนึ่งตัวเองทุกลางใหญ่บางครั้งจะมีอาการอ๋อปูมปูขึ้นมามือหวายกขึ้นคล้ายๆจะปล่อยค้าอะไรในลักษณะอย่างนั้น อ่าลูกได้ทำอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แก้ไม่ตกเลยลูกเองว่าใครมาเห็นถาว่าลูกจเพี้ยนจึงอยากจะเพี้ยนถามหลวงพ่อว่าการทํากรรมฐานในลักษณะแบบนี้หรือปล่อยห่อไปจกเพี้ยนหรือเปล่าเจ้าท่านดีเอาดีอีกแล้วหมาคว่าข้าพูดไม่เป็นถ้าเพี้ยนแล้วมันไม่ผิดกฎหมายถ้าอะไรนะทําได้<อ>คุณบ้า่งเขาไม่จัว ยกเวเ้นาวาะวละยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียแ้่ข้อเทียร์การแบบนี้มันเป็นปีติดตัวทีท่ห้านะเพราะได้พัฒนาปีติดดีมากไม่ไปเสียไหนเลยของดีไม่ต้องเสีอเย อ, อย่างนี้ก็ไม่ต้องไปแก้ไขเลยป่<จ>อยจะแก้ทำไมมันเลยไปแล้วมันอยู่เองคือส่วนใหญ่ที่ไปรู้จุดที่พลาดแตอย่างทีว่าเวลานำบางดีเขาเป็นตัวดีแล้วตัวตัวดี ข้างกลากหรือไม่ก็ควรจะตละหนกตรักษนาอย่างนี้เป็นต้นเอาละปลาพาหลงพ่ออยู่รลงจากตนก็คือว่าที่บ้านของโลูกตัวเบอร์ตะจังหวัดรนยองใกล้กับวัดสรน่าสมลานามลูกได้ตั้งศาลวัดู่ที่บ้านมีคนมาทักว่าการสร้างศาลวัดใกล้วัดใ่อ้ไปดีจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องให้คนอื่นมาแก้กองูกถึงไมาได้เรื่องอะไรเลย ผมในฐานะลูกศิษย์ล่าของพ่อเป็นที่ตึงดุดท้ายก็อยากจะขอคำแนะนําว่าการสร้างศาลพระภูมิหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางใก้วัดนั้นเราจะตั้งจะพูดจะทําแบบไหนซึ่งจะไม่มีเรื่องเกิดตอนรืที่มีปัญหาหรือวัดวัดที่มาตั้งใกล้บ้านเราแล้วเหรอต้งใกล้ศาลเราพ่อออกไปก็เลยได้เลยไปเลยไปแทรกใหม่ๆใช่ มันไม่มีอะไรหรอกแตวเก็ียณต้องจ้างไปเชื่อให้คนประเภอนั้นมันไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยแจริงๆแล้วก็หมอก็้ีหมอจาวนีนะที่ไปหามากคุยกับคนต่างมากดีไม่ดีมีองค์อีกอะไรักอะไรเข้ารูปตัวห้างันเก้าอะไรยบนี้รูปตั ไอ ah, ้ร้านนห้าให้ต้องระวังนะฟังหลายรายนะฟังแค่ฟังเยอะาคัดออกมาฟังเท่าไรก็ต้องให้เป็นร้าก็ต้องให้บางทีจะขายบ้างขายช่องขาที่ไรกินนะอแล้วจะไปเป็นเลยนาดีเยเอาดิกีกว่าเอาหลงพ่อเ้าสมภพรวมก็หมดเอเออหมดเรื่องหมดเราที่นี่ต้องไปเสียปานมีหลายรายแล้วนะ ข้าวทรงผู้กรถามที่วัดน่ะวถามใครต้รตงรองเอ่ยนคนนึ่ ง, งจะเป็นจวกอุ บ, บุอีกคนหนึ่งที่ทวิเจ็บบุญ เ, เป็นผู้ชายนะอายุวันสามสิบเศแสดงว่าเป็นรหลาทั้งคู่ทั้งคนมองปั๊บกระซบผู้เจรหลาทนี้สองคนไม่ได้รกกันไปพ ร, ปาาร้อมกันโอ้ต่างมาแลยคต่างมาคนหนึ่งก็ถามว่าหลวพ่อไปรงรบระเล่าครับ ก็เลยบอกฉันนั่งอยู่ตรงนี้กเขาบอกผมเข้าใจครับอีกคนนึงเราผมจะมาถามเหมือนกันครับนี่ยอยพอูดแคนี้ข็เข้าใจเลรงพอแหล่งแดงจะรัดคจังมากเพแสดงว่าที่ข้างว่าเข้าตรงเขาว่นจะเป็นก็งก็ลงข้างบนนะพ่อญาติเขาก็เป่าเป็นหมากเขก็กินเป็นแล้วก็คนก็เป็นไหวเขมีมาใช้มือลูกทำริล่ามาให้เลย แต่ไม่ได้เสียงเสียงมันทำไม่ได้ตัวเมียไปอ๋อโอหลวงพ่อตัวเมียเพระเ่องของพระตัวเมียหลายปามมันไม่หลายอย่างอย่างกะอะไรอะอย่างอย่งบ้านอะบ้านจะบูรเลื่างจะพู่ตัวเมียไงนี่ก็มีลวงพ่อจพูดเพราะว่ตัวเมียแล้วสอดล้องว่าเขาจะมีใครมาพูดว่า ที่เลเ้าโรงพยข้หลวอนี้ครับหลงพ่อเเป็นนานว่าหลวงพ่ออยู่ที่วะไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปไปว่าไปไปไายังอะไรเนี่ยไปคนละที่แบ่งแท่ก็สากจ่นี้อ่านเท้าหลงอคือกระน้องยันตูข้าเลยเป็นไว้ไว้ตวเองเขาไม่เข้มแข็งเขาเขาเพ่าติลาไกา รบคงมันกดจมตับเวลาเอาไว้ดีเสียให้ตำรวจให้กะไรปันพวกนี้เห็นไปยักเพื่อเยอะจะยกจมรบเรื้องเาิไค่ไล่เรายปยักเพื่อเยอะจคขา้ก็ฝ่ายต้อบกว่าตั้ใจออกติดล้างก็ให้พ่อหนัเงินจ่ายไปใเ้ืำรวจตำนาที่เข้าความปันขโมยอนนั้เป็นอาละวาทาระโบาหมดแล้วนะ